อันนี้ก็เป็นข้อความเกี่ยวกับว่ารายละเอียดในการโปรดอะไรโปรดใครโชติปาระมานพูเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยน ะ, ะเพิ่มเติมว่าโชติปาระมานพนั้น่ะพอบวชแล้วก็ได้กระทำอย่างไรอะนะก็หมายความว่าท่านทำอย่างที่พระโพธิสัตว์เขาจะพึงทากันท่านปฏิบัติในข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ถามว่าเป็นอย่างไรบอกว่าธรรมดาหรือปกติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะย่อมบรรปชาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายก็แลครั้นบวชแล้วย่อมไม่เป็นผู้มีอันเขาอ่ามีอันเขาตกดดสัตว์นอกนี้เนี่ยนะแต่ตั้งอยู่ในจตุปาริสุทีศีลบวชแล้วรักษาศีลเป็นอย่างดีเล่าเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกสมาทานทูดงสิบสาเข้าป่าบําเพ็ญ คตวัดและปัจจาคขตวัดกระทําสมณะธรรมเจริญวิปัสนาจนถึงอนุโลมายานคือสังขารูเปกขายามแล้วก็หยุดไม่กระทําความพยายามเพื่อบรรุษมรคลต่อไปเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยเจริญวิปัสนาเกือบได้โสดาปติมักแล้วก็เลิก น, นะนะเกือบได้นะเอาแค่เกือบเพราะถ้าได้ก็ไม่ใช่สาวกเนี่ยนะนะขออภยัยถ้าได้ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันก็จะแสดงใหเ้เกือบได้เป็นพระโสดาบานันแล้วก็เลิกนีนะนะ มันก็เล่าท่านแตกฉานทั้งพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระโชติปารมานพนั้นแตกฉานพระไตรปิฎกมากแล้วก็ช่วยบำเพ็ญกิจเหล่าใดที่ควรกระทําคือการกล่าวธรรมเป็นต้นท่านก็กระทําอย่างเต็มที่เนี่ยน ะ, ะส่วนรายละเอียดในพุทธวงศ์เนี่ยนะมธุรัตถาวิลาสีอัตกถาพุทธวงศ์นะว่า ขออทว น, ท, วนทบทวนอีกครั้งนึงนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณะเมื่อพระศาสนาของพระองค์อันตรธานไปแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งว่าศาสนาพระพุทธเจ้าพระนาศาสนาพุทธเนี่ยนะในกัปนี้มีทั้งหมด 5, 5้องค์หรือว่ามีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกหครั้งครั้งที่1ก็คือในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัคสันทะสมัยที่สององค์ที่2ก็คือ โกนาคมณะองค์ที่3ก็คือพระกัสสปะที่กําลังพูดถึงองค์ที่4ก็คือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันองค์ต่อไปในอนาคตก็พระเมตยะเนี่ยนะทีนี้เมื่อผ่านศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ที่1ผ่านไปพระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็เกิดขึ้นหมดอายุศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ที่สองผ่านไป ศาสนาก็อันตรธานสัตว์ที่มีอายุสาม0 0ื่นปีก็เสื่อมลดลงโดยลําดับจนถึงอายุประมาณ10ปีเนี่ยนะหมายว่าขาลงอนะลงลงลงลงลงลงสิปีสิ ป, สปีตาย5ปีแต่างงานแล้วเนี่ยนะจนแล้วก็เสื่อมสุดๆดแล้วก็ตายกันเกลื่อนเมืองไปหมดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนอายุนับไม่ถ่วนแล้วก็ลดลงมาจนถึงสัตว์มีอายุประมาณสอง0 0ื่ปีพระาศาสดาพระนามว่ากัสปะผู้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 เป็นพยาของพราหมณ์ชื่อว่าพรหมทัต์กรุงพาณิชย์พระโพธิสัตว์อยู่ในคันครบสิบเดือนก็คลอดจากคันพระชนนีณป่าอิสิ ป, ปตนะมิกระทายนันโอ้ไปสถานที่ เ, เนี่ยถ้าได้อ่านตรงนี้ไม่ได้สนใจอ่านเลยนะตอนนั้นเนี่ยเสียดายเดี๋ยวไปใหม่แปปปีหน้าไปใหม่งั้นแม่ลืมนะปีนี้ไปตั้งสครั้งแล้วเนี่ยลืมนึกที่จริงไม่ใช่ไม่อ่านเจอนะอ่านเจอแต่ว่าไม่ได้นึกเลยนะไปครั้งนี้ก็ไม่นึกนะเนะ แล้วต่อไปแล้วนึกว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าประสูติที่ปายสิบปัตตนานะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวใครที่จะไปก็อย่าลืมว่าเอาไหว้พระพุทธเจ้าบอกพระองค์ประสูติที่ปายสิปัตนามฤุกทายวันนะนั่นนะเสร็จแล้วหลังจากที่พระองค์ประสูติหรือคลอดออกมาแล้วพระองค์ก็มีพระนามเรียกกันตามโคดว่ากัสปะพระองค์เกิดในโคดกัสปะเนเรียกว่ากัสปะกุมารหรือว่ากัสปะโคด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 ท่านก็เป็นมนุษย์ท่านก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีภรรยามีครอบมีครัวครองบ้านครองเรือนท่านก็เห็นอะไรคล้ายๆเรานี่แหละแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญสะสมบุญมาน้อมไปเพื่อที่จะเห็นอริยสั์เพราะท่านเห็นเห็นลูกของท่านท่านก็สลดใจถามว่าท่านรักไหมเขาบอกว่าได้ข่าวว่ามีลูกเขบอกว่าความรักของพ่อจดเยื่อในกระดูกกำลังนั้นเสร็จแล้วก็บอกก็แต่ท่านก็คิดนะบอกโอ้นี่ลูกคนเดียวนะอย่างขนาดนี้ถ้ามีเยอะจะขนาดไหน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 อนนะลอยขึ้นสู่ท้องนภากาศอันคนหลายร้อยเวดล้อมดุดดวงรัชนีกรในฤดูศาสตร์เป็นอะ น, นะที่เป็นกลุ่มทำความงามอย่างยิ่งแห่งหมู่ดาวเวดล้อมแล้วอะ น, นะปราสาสตนั้นก็ลอยไปเหมือนกับประดับท้องนภากาศประหนึ่งประกาศบุญญาุภาพบอกบุญว่าเจ้าของปราสาสตร์นี่มีบุญมากเหมือนดึงดูดดวงตาดวงใจของชนเหมือนทำยอดไม้ทั้งหลายให้งามอย่างยิ่ง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 เดินทางไปเครื่องขาวุธพร้อมด้วยบริวารคือฝ่ายพระองค์เองก็ลงจากปราสาทก็ไปนะเสร็จแล้วก็ไปนั่งทำให้เป็นประดุจค่ายของกองทัพจากนั้นคนที่มาแล้วก็พากันบวชหมดเว้นแต่พวกหญิงรับใช้ทั้งหลายนั่นนะไม่บวชได้ยินว่าพระมหาบุรุษอันชนเหล่านั้นแวดล้อมแล้วก็บำเพ็ญเพียรเจ็ดวัน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 ถวายแล้วก็พักกลางวันอยู่หน้าป่าตะเคียนเวลาเย็นก็รับหญ้าแปดกรัรมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าโสมะถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าไปยังโรพพฤกษ์ชื่อว่าต้นนิโครดลาดหญ้าที่กว้างยาวประมาณ15ศอกเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งเหนือสันทัศน์นั้นบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณเรียกว่าการตรัสรู้อย่างยิ่งยิ่งกว่าพระประเจกพพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระสาวกทั้งมวลแปลงอุทานว่าอาเนกชาติสังสารังเป็นต้น พระองค์ก็ยับยั้งพักอยู่บริเวณใกล้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะก็ถ้าใครที่ไปที่โพที่มันถ้าสถานสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ระลึกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ากัสปะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะพระพุทธเจ้ากักุสันทะก็ประทับตรัสรูนะ้ณสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นต้นนนะ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 ผู้ตรัสรู้ประมาณสองหมื่นโกดน น, น, นมีผู้ตรัสรู้ตามมากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าในคาถาพุทธวงศ์ว่าต่อมาจากสมัยพระโกนาคมาณพุทธเจ้าก็มีพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าผู้เป็นพระราชาแห่งธรรมผู้ทำพารสมีเรือนแห่งสกุลมีข้าวน้ำโภชนะเป็นอันมากพระองค์ก็สละเสียแลว้ว ส่งให้ทานแก่ยาจกทั้งหลายยังใจให้เต็มแล้วพระองค์ทําลายเครื่องผูกดุดโคอุสภพะพังโคฉะนั้นเรียกว่าทำลายโคกออกไปะนะฉันใดพระองค์ก็บรุสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมฉนั้นเป็นสัมโพธิญาณที่สูงสุดเมื่อพระกัสปะสัมมาสัมพโทธเจ้าผู้นําโลกประกาศพระธรรมจากอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแก่สัตริย์จํานวนสอง0 0ื่โกด เล่ากันมาว่าตระกูลหรือเรือนสกุลของอพระโพธิสัตว์นั้นนะนะมีกองทรัพย์หลายพันโกดมีโพค่าเสมือนเท้าสักกระนะนะเรียกว่ารวยเหมือนกับพระอินเหมือนกันแล้วแต่ละอย่างก็สละได้แสนยากแต่ท่านก็สละมรดกเหล่านั้นสละทรัพย์เหล่านั้นก็เหมือนกับทิ้งหญ้าทิ้งเศษหญ้านะเคยเอาญยาไปทิ้งไหมนะเวลาตัดหญ้าเสร็จตัดกิ่งไม้เสร็จเอากิ่งไม้ไปโยนทิ้งฉันใดท่านก็ไม่อะไรอาวร์ในทรัพย์ฉันนั้น เหมือนโคอุสภะที่ทําลายโคกไปแล้วปราถนาจะไปไปอย่างที่ตัวเองต้องการฉันใดพระมหาบุรุษทําลายเครื่องผูกคือเรือนเสร็จแล้วพระองค์ก็บรุพระอภิสัมภูธิยานได้แล้วต่อมาอีกเมื่อพระาศาสดาเสด็ จ, จาริกไปในชนบทอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแกสัตว์ประมาณหนึ่งหมื่โกดเสร็จแล้วพระองค์ก็ทําย ม, มะกะปาติหามที่โคนต้นประดูใกล้ประตูสุนทรนครแสดงธรรมอันนี้เป็น อภิสมัยการตรัสรูท้ทมครั้งที่3ประมาณ 5,000 โกดต่อมาอีกพระองค์ทยำยมกะปาติหารแล้วประทับนั่งนะเทวสภาชอวสุดธร ม, มาในภพดาวดึงซึ่งยากนักที่ข้าศึกของเทวดาคืออสูรจะครอบงาได้เมือ่อพระองค์แสดงอภิธรรมปิดกเจ็ดคำพีเพื่ออนุเคราะห์เทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุมีธนวดีชนนีพระพุทธมารดาของพระองค์เป็นประมุก ยังเทวดาสามพันโกธให้ดื่มอมตะธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในเทวโลกไปในโลกสี่เดือนอภิสมัยได้มีแกสัตว์หนึ่งมืนโกดเนเที่ยวไปในโลกหมายว่าจาริกไปตามชนบทต่างๆส ำ, สำหรับครั้งที่พระองค์แสดงยงมะกะปารติหารประกาศพระสัพพัญยุตยานอภิสมัยครั้งที่ 3, ได้มีแกเทวดา 5,000 โกด พระชินะพุทธเจ้าประทับนั่งณธรรมสภาชวาสุธรรมมาณเทวโลกสันดาวดึงอันน่ารื่นรมประกาศพระพิธรรมยังเทวดาสามพันโกฎให้ตรัสรู้อีกครั้งหนึ่งพระองค์แสดงธรรมโปรดนระเทวยักษอภิสมัยได้มีแกสัตว์เหล่านั้นจำนวนนับไม่ได้เลยนะส่วนนระเทวยักเนี่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยมาดว่า เล่ากันมาว่ามียักษ์คนหนึ่งชื่อว่านารเทพนาราเทพแปลว่าเหนือมนุษย์แบบนั้นเทวดาของพวกมนุษย์น่ะ น, นะผู้เป็นนาราเทพผู้มีอานุภาพและเป็นผู้พิชิตคือได้รับชัยชนะทุกทิศซึ่งมีศักย์ใหญ่และมีฤทธิ์มากเหมือนนราเทพยักษ์ที่กล่าวมาแล้วในหุนหลังนราราเทพยักษ์กษกษกษนั้นนะแปลงตัวเป็นพระราชาในเมืองเมืองหนึ่งในชมพูทวีป ทั้งรูปร่างสวดทรงซุ้มเสียงท่วงท่าทีลีลาเนี่ยนะก็เหมือนกับพระราชาตัวจริงทุกประการเสร็จแล้วก็ฆ่าพระราชาองค์จริงแล้วก็กินเสียปฏิบัติราชกิจอ่ะ น, นะปฏิบัติราชกิจเช่นกับพระราชาทั้งในสํานักหมดทําตัวเป็นพระราชาทุกประการพระองค์เนี่ยปโปรดในการเสวยเนื้อโดยไม่จํากัดจํานวนมีเท่าไหร่กินได้หมดนะนะเป็นเรียกว่านักกินมาเกิดเลยนะ บอกว่านักกินยังไงก็สู้นักกินญี่ปุ่นไม่ได้ว่ากินเมนูอาหารจีนร้อยกยว่าเมนูภายใน3วันเหมือนภายใน3วันน้ําหนักขึ้น7จกิโลเ ส, เสร็จเลยนะภายใน3าวันเนี่ยท้องเลยแทบปรีเลยนะน ก, กิ น, นกมาเกิดจริงเลยนะกินกินกะินกินเสร็จก็หลับหลับเกิมากินต่อเนี่ยนะรู้กระเพาะล้ำไส้มันทําจากอะไรไม่ทราบอนะันนี้ก็เหมือนกันเป็นพระราชาที่กินเนื้อโดยไม่จํากัดปริมาณ เล่ากันมาว่านรเอ่อแค่กว่านราเทวยักษนั้นน่ะเป็นนักเลงผู้หญิงด้วยคาดายสต์เอ่อคาดสตรีพวกที่ฉลาดเฉลียวรู้เขาว่าผู้นี้ไม่ใช่พระราชาของเรานั่นอมนุษย์ผู้ฆ่าพระราชากินเสรยจแล้วคราวนั้นเขาก็ทําเป็นอายกินสตรีพวกนั้นหมดะนะกฑ์ซะหมดวางแล้วก็ไปเมืองอื่นอีกด้วยประการชนี้นราเทวยักษนั้นกินมนุษย์เสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปยังไปทางสุนทรนคร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 พระองค์ก็ฝึกเขาเนี่ยนะฝึกให้ในสมถาวิปัสนาแสดงธรรมให้แก่เขาฟังอภิสมัยได้มีแก่มนุษย์และเทวดาที่มาประชมณสถานที่นั้นเกินที่จำนวนนับได้ดังที่ที่กล่าวไปแล้วนะว่าอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมตอนที่พระองค์โปรดนรเทวยักนั้นหาประมาณมิได้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวกักสปะนั้นมีสาวกสันนิบาตครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยนะ ในสมัยที่บุตรปุโรหิตในกรุงพาราณสีชื่อว่าติดสะเขาเห็นลักษณะสมบัติของพระศรีระของพระกัสสปะโพธิสัตว์ตฟังบิดาพูดคือพ่อของของติดสัตนนี้นะเหลาวาเนี่ยพระผู้นี้กุมารคนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็เลยคิดว่าท่านผู้นี้จะต้องออกพิเนสกรมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยจําเราจากบวตในสํานักของพระองค์เพื่อให้พ้นจากสังสารทุกข์ เสร็จแล้วก็ยักเข้าไปยังป่าหิมพานต์ที่มีหมู่มุนีผู้บริสุทธิ์บวชเป็นดาบทนะเป็นฤาษีที่มีดาบทเป็นบริวารสอง0 0ื่น 20, ต่อมาภายหลังพอพอฤาษีคนนี้ทราบข่าวว่ากัสปะกุมารอภิเีสกรมบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพร้อมด้วยบริวารมาบวชเป็นเอหิภิกขุบรรจ์รชาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะเสร็จแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ พระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในวันมาฆบุรมีในสมาคมนั้นเพราะฉะนั้นก็กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพแห่งเทพก็เรียกว่าเทวดาในหมู่เทวดาพราะองค์นั้นเนี่ยนะมีสาวกสันนิบาตการประชมพระอรหันตสาวกผู้ขี่นาศพไร้มนทินคงที่ครั้งเดียวครั้งนั้นสันนิบาตการประชมภิกษุสาวกผู้เป็นขี่นาศพ ล่วงอาิยาบุคคลระดับอื่นเสมอกันด้วยหีริและศีลเนี่ยประมาณสองหมื่นรูปเนี่ยนะสรูปนะสาวกสันนิบาตของพระพุทธเจ้ากัสสปะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเป็นมานบชื่อวโชวติปาละจบไตรเพศมีชื่อเสียงในการทำนายลักษณะพื้นดินและลักษณะอากาศเป็นสหายของคติการะอุบาศกช่างหมอ้อ โชติปาระมานพนั้นเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาพร้อมกับคติการะอุบาสนั้นฟังธรรมกถาของพระองค์แล้วก็บวชในสำนักของพระองค์พระโพธิสัต์นั้นปรารบความเพียนเล่าเรียนพระไตรปิฎกยังพระพุทธศาสนาให้งอกงามด้วยการปฏิบัติข้อวัดใหญ่น้อยพระศ า, าสดาพระองค์นั้นก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าว่าอะไร <c oughs> ว่าจะได้เป็น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 เป็นผู้น่าเคารพน่ายำเกรงอันพระกัสสปะพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ในอริยผลที่สก็คือคติการะเพื่อนของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นพระนาคามีพระนาคามีผู้นี้แหละที่เอาผ้ากาสาวพัตมาถวายพระพุทธเจ้าวันออกบวชที่แล้วก็รับเอาผ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสร้างเจดีไว้ในพรหมโลกเนี่ยนะคติการะอุบาสกเนี่ยนะก็พาพระโพธิสัตว์เข้าไปเฝ้าพระกัสสปะชินะพุทธเจ้า เสร็จแล้วก็ไปฟังธรรมของพระองค์เสร็จแล้วก็บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเราปรารบความเพียนฉลาดในข้อวัดน้อยใหญ่จึงไม่เสื่อมคลายในที่ไหนๆยังพระศาสนาของพระชินเจ้าให้เต็มบริบูรณ์เราเล่าเรียนระวังข้าศตรศาสตร์คือพระไตรปิฎกอันเป็นพระพุทธดำ ร, รัสตลอดทั้งหมดโอ้เก่งมากเลยนะเรียนพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วก็จาได้หมด ทรงยังพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งามนนะนะก็ช่วยปฏิบัติให้งดงามแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นได้รับรู้ในข้อปฏิบัติที่ดีและถูกต้องพระศาสนาจึงงดงามในอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิ ป, ปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเห็นความน่าอัศจรรย์ของพระโพธิสัตว์ก็พยากรณ์ว่าในพัทกานี้ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า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 ข้างหน้าต่อไปท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระโพ ธ, ธิสัตว์นั้นหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วนะชาตินั้นก็ศึกษาปฏิบัติธรรมเต็มที่ก็เกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกก็มาเป็นเท้าสักกะนะมาเป็นเท้าสักกะก็มาตอนปลายปลายศาสนาพระพุทธเจ้ากัดสปะอีกครั้งหนึ่งแปลงมาเป็นนายพรานมีหมาตัวใหญ่ตัวดำเมื่อมันกันเลยนะในกัรหาชาดกนะชาดกมาหนึ่งท่านก็มาตอนปลายปลายศาสนาที่ตอนที่ศาสนาเละเทะลงมาเหมือนกัน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 มันผู้ที่เวียนวไหวตายเกิดในสังสารวัตรเพราะเราไม่ได้คบบัณฑิตตลอดเวลาใช่ไหมเอาไปคบคนพาลมันเรียกว่าคบคนพาลก็เหมือนกับใบใบไม้ใบคาใบหญ้าใบอะไรที่ไปห่อปลาเ น, น่าแล้วก็เปือ้อนเอาถามว่าถ้าไปเจอเขาโกรธเรามากเลยนะเรายิ้มขอให้มีความสุขนะขอให้ใหายโกรธเร็วๆ เ, เราคิดอย่างนี้ไหมอุ้ยเราโกรธกับเขาคูณ2องงนั้นน่ะแม่รู้จักเราน้อยไปอย่างไี้หเปล่าเนี่ยนะโดยมากก็อย่างนั้นแหละ เขามีแต่เพิ่มกับเขาใชเพิ่มปริมาณความร้อนแรงแ ล, ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเจอคนที่เป็นอกุศลเนี่ยนะบอกแม้เจอเขายกมีดจะฆ่าเราเราฆ่าเขาตั้งนานแล้วเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยเพราะทำเก่งมากเลยนะเพราะฉะนั้นประเภทนี้แหละมันจะไปไหนใช่ไหมอบายก็เหมือนบ้านเราเนี่แหละลก็เลยท่องเที่ยวแต่ถึงอย่างนั้นว่ารวมๆแล้วพระโพ ธ, ธิธศาสนาก็เว้นจากความประพฤติชั่วอาจารย์ความประพฤติชั่วทางกายวาจาและใจ พระองค์ทํากิจกรรมแต่ละอย่างกิจคือการสร้างบารมีแต่ละอย่างที่ทําได้ยากเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณอย่างเดียวนะก็เลยได้รับพุทธภยากรส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระกัสปะพุทธเจ้าอีกว่าพระองค์นั้น เ, เกิดที่เมืองพารณสีที่เมืองพารณสีมีกรรษัตริย์ปกครองชื่อว่าพระเจ้ากิากีหรือว่ากิงกิหรือว่ากิเกนะแล้วแต่จะเรียก ฝ่ายพระองค์นั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลใหญ่ในยในเมืองพารณสีพระกัสปะพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระพุทธบิดาเป็นพราหมณ์ชื่อว่าพรหมทัตมีพระชนนีพุทธมารดาเป็นพราหมณีชื่อวัฒนวดีพระองค์เนี่ยนะพระกัสปะพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่มีอัครสาวกชื่อว่าพระติดสะและภารทวาชะมีพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระสัพพมิตระ อค拉สาวิกาชื่อว่าอนุลาและอุรุเวลาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นนิโครต้นสายพระองค์มีอ克拉อุปถาชื่อว่าสุมังคละและคติการะมีอ克拉อุปถายิกาชื่อว่าวิชิตเเสนาและพัทฐาพระองค์นั้นสูง2 0ศอกเหมือนสายฟ้าอยู่กลางอากาศเหมือนพระจันเพนทรงกลด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 มายิตวะคือสร้างสระคือปริยัติธรรมพระองค์สร้างปริยัติธรรมก็คือสร้างปิดกสามสร้างนิกาย5สร้างคําสอนประกอบไปด้วยองค์9สร้างพระธรรม 84% ดหมพันระธรรมอคัญเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทานเครื่องรูปไรคือจตุปาริสุทธิศีลสร้างศีนขึ้นมามีเครื่องผ้านุ่งห่มเป็นธรรมคือฮิริโอตตะปะแจกมาลายธรรมคือโพธิปัจจะธรรมเอาไปคล้องนะเอาโพธิปัจขยธรรมไปคล้องว่างั้น เสร็จแล้วพระองค์ก็วางธรรมะอันไร้มนทินเป็นกระจกเอาไว้ให้มหาชนที่ปรารพพระนิพพานดูว่าเนี่ยเป็นเครื่องประดับของเรากระจกอันนั้นก็คือโสดาปฏิมักให้ดูว่าเนี่ยนะผู้ที่ได้โสดาปฏิมักเห็นพระนิพพานและจะมีเครื่องประดับเช่นนี้เช่นนี้เสร็จแล้วพระองค์ก็ประทานเสือ้อเกราะ เสื้อคือศีลศีลห้าศีลสิสจตุ ป, ปาริสุททิศีลผูกสอดเกาะคือฌานทั้งฌานในจตุกนัยปัญจกะในให้ห่มหนังหนังหนังเสือก็คือให้ห่มด้วยสติสัมปชัญญะประธานเกาะชั้นเยี่ยมคือวิริยะประธานสติประธานสีเป็นโลกประธานยานอันคมกริบคือวิปัสนาญาณประธานพระธรรมอันเป็นพระขันอย่างดีคือมัคคปัญญาให้ศีลเป็น เครื่องย่ายีการลกคลุกเคลีก็คือโลกุตระศีลเป็นการย่ํำยีการคลุกคลีด้วยกิเลสประธานวิชาสามเป็นเครื่องประดับสามัญญผลสี่เป็นมาลัยสวมศีรษะประธานอภิญญาหกเป็นอาภรณ์เครื่องประดับ น, นะให้โลกุตระธรรมสีเป็นเครื่องประดับขอไปให้โลกุตระธรรมเ้าเป็นดอกไม้เครื่องประดับในที่สุดพระองค์และพระสาวกประธานพระสัตธรรมอันเป็นฉัดขาวก้านบาปเนรมิดดอกไม้ คือทางอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดที่ไม่มีภัยเสร็จแล้วก็ดับขันทปรินิพานก็นั่นพระสัมมาสัมพุทธะผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้อันใครเข้าเฝ้าได้ยากนั้นคือพระธรรมรัตนะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วควรเรียกให้มาดูนั่นคือพระสังครัตนะผู้ปฏิบัติดียอดเยี่ยมทั้งนั้นก็อันตรธานไปสิ้น สังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้เนี่ยนะผู้ทงังสารนังฆ่าฉามิก็จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะพระพุทธรัตนะก็หายไปจากโลกพระธรรมรัตนะก็ไม่มีคนบอกพระสังขรัตนะท่านเหล่านั้นก็ปรินิพานสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแน่แท้อีกไม่นานศาสนาพระพุทธเจ้าของเราก็จะอวสานเช่นกันเน่ยนะยังไงยังไงก็อย่าอวสานจากใจเราก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะปัญหาศาสนายังอยู่ในใจเราจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ จบอะไรบอกเาจบเพลงไงว่ากุศลมันเกิดทั้งนั้นเลยนะ ว, วันวันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวที่เหลือคิดถึงผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหมดเลยอย่างงนะ้วันวันหนึ่งคิดถึงคำพระพุทธเจ้าได้ไม่กี่ประโยคอันนั้นนิดเดียวคิดถึงคำของคนอื่นหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็ยากนะันก็เสื่อมจากาศาสนาตั้งนานแล้วถึงาศาสนาจะอยู่แต่อะไรนะเหมือนดวงอาทิตย์กลางวันก็ยังส่องแสงอยู่ แต่แม่ตามันเสียไปแล้วเนี่ยนะทำอะไรได้ น, นะนะมันก็รักษาบอกเวลานี้พระาศาสนาก็บ่ายคล้อยมาแล้วชีวิตของเราก็เลื่อนเลื่อนคลอยมาแล้วมันก็ไม่อย่างอันนี้ก็เดี๋ยวก็บอดตาใสในที่สุดก็บอดจริงด้วยเนี่ยผู้าศาสนาก็ไม่มีไม่ ม, ม, มีทั้งแสงตาก็บอดโอ้ยไปกันใหญ่เลยนะสังสารวัตเนี่ยนะปลาที่อยู่ในถ้าลึกๆเนี่ยไม่มีตานีนะ แสงสว่างก็ไม่เคยเห็นเมื่อไม่มีแสงก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตาก็เป็นปลาพวกปลาตาบอดเนี่ยนะเป็นปลาที่ไม่มีตาอยู่ในถ้าในถ้าลึกๆเนี่ยนะในถ้าลึกๆเนี่ยเป็นปลาที่ไม่มีตาแล้วก็ใา้ดูแล้วว่าไม่มีตาจริงๆมันอยู่ในเป็นแบบเป็นถ้ำเนี่ยนะมันมีน้ําเย็นแล้วก็ใสแต่พวกเนี่ยมันมืดมิดเลยเขาก็เอามาดูว่าเออมันไม่มีตาจริงๆปลาพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อย่างงั้นเราก็จะเป็นปลาตาบอดเนี่ยนะ แต่ว่าร่างกายเป็นอย่างอื่นเนี่ยไนหะร่างกายเป็นมนุษย์แต่ตาบอดบอดด้วยปัญญานี่ก็โวยนาสงสารเนาะเหอนกันตอนท้ายบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะหลังจากที่พระองค์ดับขันทัปปริณิพ า, านณเสตตะพญอุทยาใกล้เสตตะพยนครเคว้นกาสีเล่ากันมาว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ไม่กระจัดกระจายแพร่หลายมนุษย์ทั่วชมพูทวีปเมื่อสร้างก็ใช้มโนศิลาหินอ่อนแทนดิน แลนะก็เจดีหินอ่อนก็เยอะนะทุกวันนี้เจดีหินอ่อนก็เยอะใช้น้ํามันเทแทนน้ําเพื่อก่อภายนอกเป็นอนาส่วนภายนอกก็บุ้ด้วยอิฐทองแต่ละแผน่นมีค่าเป็นโกดวิจิตด้วยรัตนะนะเพื่อทําภายในให้เต็มอิฐทองแต่ละแผน่นมีค่าเครื่องโกดช่วยกันสร้างเป็นสถูปสูงหนึ่งโยศแม้พระกัสปะผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทํากิจทรงกระทําประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรัพสัตย์อย่างเดียว อ น, นะพระองค์เนี่ยหลังจากที่พระองค์ทํากิจของพระองค์เสร็จแล้วชีวิตที่เหลือของพระองค์ก็ทํากิจเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์เมื่อพระองค์ทําความร่าเริงให้แก่โลกพระองค์ก็ประทับอยู่ประจําโดยมากก็ที่กรุงภารณสีราชธานีแห่งแคว้นกาสีหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างก็อันตรธา น, นสูญสิ้นแม้กระทั่งที่ที่บรรจุเจดีย์ก็มีพราหมณคนหนึ่งไปกราบไปไหว้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 ขอจงเป็นปัจจัยให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ตรัสรู้อริยศัสตร์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท้วนกันอนุโมทนาเชาวนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน